1. คุณธรรมพื้นฐานขอนอบน้อมแด่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระผู้รู้ผู้ห่างไกลจากกิเลสทั้งมวลพระผู้เพียบพร้อมด้วยคุณธรรมทั้งปวงพระผู้เป็นกัลยาณมิตรของสรรพสัตว์ทั้งหลายดูก่อนพระราชาอาตมาจะอธิบายถึงการปฏิบัติ ที่เป็นไปเพื่อกุศลโดยฝ่ายเดียวเพื่อให้ท่านเข้าใจคำสอนที่แท้จริงเพื่อสามารถนำไปปฏิบัติอันเป็นสิ่งที่สำคัญยิ่งในคำสอนอันสูงสุดเมื่อบุคคลเริ่มปฏิบัติคุณธรรมอันเป็นพื้นฐานธรรมอันยิ่งย่อมเกิดขึ้นตามมาในการบรรลุถึงคุณธรรมอันเป็นพื้นฐานชั้นสูงธรรมอันยิ่ง จะค่อยๆเพิ่มพูนขึ้นในบุคคลนั้นจนถึงที่สุดคุณธรรมอันเป็นพื้นฐานชั้นสูงนำมาซึ่งความสุขส่วนธรรมอันยิ่งหมายถึงความอิสระหลุดพ้นซึ่งปัจจัยสำคัญของธรรมทั้งสองนี้คือศรัทธาและปัญญายานเพราะมีศรัทธาบุคคลจึงดำเนินการปฏิบัติเพราะมีปัญญายาณ บุคคลจึงรู้แจ้งเห็นจริงในสองสิ่งนี้ปัญญาาณเป็นหลักสำคัญยิ่งส่วนศรัทธานั้นเป็นสิ่งนำที่ขาดไม่ได้เลยผู้ที่ไม่เคยละเลยการปฏิบัติต่อกิเลสความโลภความโกรธความหลงและความกลัวของตนคือผู้ที่เพียบพร้อมไปด้วยศรัทธาอันเป็นแก่นสำคัญของธรรมอันยิ่ง ผู้ที่มีความแยบคายในกายกรรมวจีกรรมและมโนกรรมผู้ที่ชัดแจ้งในประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านและดำเนินเช่นนี้อยู่เสมอคือผู้มีปัญญาการไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตการไม่ลักทรัพย์การไม่ล่วงเกินของรักของผู้อื่นการละเว้นจาัด ก, การพูดเท็จพูดหยาบคายพูดส่อเสียดพูดเพ้อเจอ้อ การละขาดจากความละโมบความพยาบาทและความเห็นผิดเรื่องความดับศูนนี่คือทางแห่งความสว่างไสวของพฤติกรรมซึ่งตรงกันข้ามกับความมืดมนการไม่ดื่มน้ําเมาการหาเลี้ยงชีพชอบการไม่เบียดเบียนผู้อื่นการให้ด้วยใจที่เสียสละเอื้อเฟื้อการเคารพ บ, บุคคลผู้ควรเคารพและความเมตตาการุณา นี่คือข้อสรุปของการปฏิบัติสำหรับผู้ที่ไม่ได้ละเว้นการเบียดเบียนผู้อื่นและไม่รู้จักช่วยเหลือผู้อื่นเลยแต่มุ่งปฏิบัติโดยเพียงแค่การทรมานตนนั่นย่อมไร้ประโยชน์สำหรับเขาผู้ที่ไม่ได้เคารบเอื้อเฟื้อในทางแห่งพระธรรมวินยัยอันสว่างสวัยอยู่ด้วยทานศีลและขันติธรรม หลงทรมานกายของตนดำเนินในทางที่ผิดเหมือนทางเดินของวัวควายกายของเขาย่อมถูกรุมร้อมไปด้วยอสารพิษแห่งอารมณ์อันทุกทรมานพวกเขาหลงเข้าไปอยู่ท่ามกลางต้นไม้แห่งการเวียนเกิดตายอันไม่รู้จักจบสิ้นในป่ารกชัดอันน่าสะพรึงกลัวแห่งสังสารวัตรบุคคลอายุสั้นเพราะการฆ่าสัตว์ ทุกทรมานเพราะการเบียดเบียนผู้อื่นยากจนค้นแค้นเพราะลักทรัพย์ศัตรูมากเพราะล่วงเกินของรักของผู้อื่นการพูดเท็จเป็นการให้ร้ายผู้อื่นการพูดส่อเสียดเป็นการยุแย่ให้แตกแยกการพูดหยาบคายเป็นเสียงที่ไม่สนองหูการพูดเพ้อเจ้อเป็นการทำลายความเชื่อถือตนความละโมบ ทำลายความปรารถนาของบุคคลความพยาบาททำให้เกิดภัยอันน่าสะพรึงกลัวความเห็นผิดนำไปสู่ความคิดเห็นที่ไม่ดีการดื่มน้ำเมาทำให้จิตใจสับสนขาดสติการไม่รู้จักให้ทานทำให้ยากจนค้นแค้นการหาเลี้ยงชีพในทางที่ผิดเป็นการลวงหลอกผู้หญิงยะโส เป็นสมาชิกที่เลวของวงตระกูลผู้ที่ชอบอิจฉาวิทยาเป็นเช่นเด็กน้อยผิวพรรณที่ไม่งามเพราะขี้โมโหง่เง่าขาดปัญญาเพราะไม่ศึกษากับบัณฑิตนี่คือผลวิบากที่จะมีต่อความเป็นมนุษย์แต่ก่อนจะมีผลเหล่านี้จำต้องไปสู่ทุกคติเสียก่อน ตรงกันข้ามกับผลแห่งอกุศลกรรมที่กล่าวมานี้ก็คือผลแห่งกุศลกรรมโลภะโทสะโมหะและวิบากกรรมที่เกิดจากมันคืออกุศลอโลภะอโทสะอโมหะและวิบากกรรมที่เกิดจากมันคือกุศลเพราะอากุศลกรรมจึงนำไปสู่ความทุกข์ซึ่งก็หมายถึงการไปสู่ทุกคติ ส่วนกุศลกรรมนำไปสู่ความสุขซึ่งก็หมายถึงสุขคติการละเว้นอกุศลทั้งปวงและหมั่นเจริญแต่กุศลทั้งทางกายวาจาใจเรียกว่าการปฏิบัติในขั้นกุศลพื้นฐานทั้งสามด้วยการปฏิบัติเช่นนี้บุคคลจะก้าวล่วงพ้นจากการเกิดเป็นสัตว์นรกเปรตและเดรัจฉาน สามารถเกิดใหม่เป็นมนุษย์หรือเทวดาอันจะได้รับความสุขประสบโชคลาภและมีเกียรติด้วยการเจริญสมาธิรูปฌานและอรูปฌานบุคคลจะได้สัมผัสกับความสุขแห่งพรหมและนี่คือการปฏิบัติเพื่อคุณธรรมพื้นฐานขั้นสูงและผลของมัน